วันนี้อากาศเย็นเพราะฝนตกถ้าวันไหนแดดออกอากาศก็ร้อนใจเย็นถ้ามีธรรมใจร้อนถ้ามีกิเลสมีตัณหาความร้อนความเย็นของอากาศ ไม่สามารถทำให้ใจร้อนหรือใจเย็นได้ความร้อนของใจความเย็นของใจอยู่ที่กิเลสตัณหาหรืออยู่ที่ธรรมถ้ามีธรรมาอยู่ภายในใจใจก็จะเย็นจะสบายถ้ามีกิเลส มีัญหาอยู่ภายในใจใจก็จะร้อนความร้อนของอากาศเมื่อความเย็นของอากาศกับความร้อนกับความเย็นของใจนี้เทียบกันไม่ได้ความร้อนความเย็นของอากาศนี้ไม่เป็นปัญหากับใจ เท่ากับความร้อนกับความเย็นของใจดังนั้นนักปราชญ์คนฉลา ด, ลาดจึงไม่ค่อยไปให้ความสำคัญต่อความร้อนหรือความเย็นของอากาศแต่จะให้ความสำคัญต่อความร้อนต่อความเย็นของใจ เพราะคว า, รความร้อนและความเย็นของใจนี้มีผลกระทบต่อจิตใจมากกว่าความร้อนความเย็นของอากาศนั่นเองนักปราดหรือบัณฑิตหรือผู้ฉลาดคนฉลาด จึงไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการปรับอากาศแต่จะสนใจกับเรื่องของการปรับความสุขปรับความทุกข์ของใจคือปรับใจนั่นเองทำใจการปรับใจก็คือการทำใจทำใจให้เย็นตลอดเวลาด้วยการกำจัด เหตุที่ทำให้ใจร้อนด้วยการใช้เหตุที่ทำให้ใจเย็นมาทำลายเหตุที่ทำให้ใจร้อนเหตุที่ทำให้ใจร้อนก็คือกิเลสตัณหาเหตุที่จะทำให้ใจเย็นก็คือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกับใจเอาธรรมะเข้ามาประดิษฐานในใจก็เหมือนกับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศของใจธรรมะนี่ก็คือเครื่องปรับอากาศของใจเวลาที่บ้านเรามีอากาศร้อน เราทำอย่างไรเราก็ไปซื้อเครื่องปรับอากาศมาติดตั้งไว้ภายในบ้านอากาศภายในบ้านก็จะเย็นจะสบายแต่ความเย็นของอากาศภายในบ้านไม่สามารถทำลายความร้อนของใจได้ไม่สามารถทำให้ใจเย็นสบายตามความเย็นของ อากาศในห้องได้ไม่เชื่อลองขังตัวเองในห้องดูสักวันสองวันไม่ต้องออกไปไหนอยู่ในห้องปรับอากาศที่เย็นสบายแต่ห้ามออกไปทางตาหูจมูกนิ่วกายห้ามไม่ให้ทาอะไรเช่นให้นั่งเฉยๆอยู่บนเก้าอี้นวมที่นุ่มที่สบาย แล้วก็ไม่ให้ลุกไปไหนไม่ให้ทำอะไรไม่ให้ดูอะไรไม่ให้ฟังอะไรให้นั่งเฉยๆดูซิว่าใจจะร้อนหรือใจจะเย็นถ้าใจเย็นก็แสดงว่าใจมีธรรมใจมีความสงบถ้าใจร้อนก็แสดงว่า ใจมีตัณหามีความอยากอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะหรืออยากมีอยากเป็นหรืออยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากเหล่านี้เป็นเหตุที่ทำให้ใจร้อน ไม่ใช่อากาศร้อนที่ทำให้ใจร้อนอากาศร้อนทำให้ใจเย็นก็มีคนที่ชอบอากาศร้อนเช่นชาวต่างประเทศที่อยู่ประเทศที่มีความหนาวมากๆพอมาประเทศไทยที่มีแสงแดดก็ไปนอนอาบแดดกันโดยที่ไม่รู้สึก เดือดร้อนกับแสงแดดกับความร้อนกับมีความสุขกับความร้อนของอากาศเพราะว่าใจไม่มีความเต้าความต่อต้านคือความเกลียดความไม่ชอบความอยากที่จะหนีจากความร้อนไปนั่นเองใจมีความสุขอยู่กับการได้เสพสัมผัสกับอากาศร้อน ใจกับมีความสุขแต่ถ้าใจไม่ชอบความร้อนเช่นคนไทยมักจะไม่ไปนอนอาบแดดกันเพราะคนไทยอยู่กับความร้อนมาจนชินชาจนเกิดความเบื่อเกิดความกลัวเวลาเจอแสงแดดมักจะหลบเข้าในร่มอันนี้ก็เป็นเรื่องของใจเรื่องของความชอบ หรือความไม่ชอบถ้าชอบแสงแดดนอนอับแดดนั่งอับแดดก็มีความสุขแต่ถ้าไม่ชอบแสงแดดไม่ชอบความร้อนจากแสงแดดพออยู่ท่ามกลางแสงแดดก็จะร้อนใจจะทุกข์ใจเพราะความไม่ชอบ ใจของคนที่ชอบเช่นชาวต่างประเทศเดินทางมาไกลาจากบ้านที่มีอากาศหนาวเย็นพอมาเจอแสงแดดก็ออกมาอาบแดดกันมาเล่นกลางแดดกันมีความสนุกมีความสุขกับความร้อนเพราะเขาเบื่อความหนาวเบื่อความเย็น เขาอยากจะได้สัมผัสกับความร้อนความร้อนก็มีความสุขสำหรับเขาแต่สาหรับคนไทยที่อยู่กับความร้อนมาตลอดก็เบื่อความร้อนคนไทยจึงมักไม่ออกมานั่งอาบแดดเล่นกลางแดดอะไรเงเพราะไม่ชอบแดดนี่คือเรื่องของใจ ที่มีความชอบและไม่ชอบเป็นตัวที่จะทำให้เกิดความร้อนหรือเกิดความเย็นขึ้นมาภายในใจถ้าชอบก็จะเกิดความเย็นถ้าไม่ชอบก็จะเกิดความร้อนขึ้นมาดัางนั้นเราต้องรู้จักวิธีปรับใจให้เย็นตลอดเวลา เวลาเราเจอของที่ไม่ชอบเราก็ต้องปรับให้ชอบของที่เรากำลังสัมผัสรับรู้อยู่ถ้าเราชอบอะไรเราได้อยู่กับสิ่งที่เราชอบเราก็จะมีความสุขนี่คือเรื่องของการปรับใจที่ต่างกับการปรับอาการในห้อง ในห้องนี้เราต้องใช้เครื่องปรับอากาศถึงจะทำให้ห้องเย็นสบายได้ในใจและ ใ, ใจนี้เราต้องใช้เราต้องใช้การปรับใจถึงจะทำให้ใจเย็นได้เช่นตอนนี้เราร้อนกับเรื่องอะไรเราร้อนกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเราไม่ชอบ สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราปรับใจให้ชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ความร้อนนั้นก็จะหายไปความเย็นก็จะกลับมาเช่นเวลาเรานั่งไปนานแล้วเกิดความเจ็บขึ้นมาใจจะร้อนขึ้นมาทันทีร้อนเพราะความไม่ชอบความเจ็บ ถ้าเราปรับใจให้ชอบความเจ็บให้ได้คืออยู่กับความเจ็บให้ได้ไม่ปฏิเส ธ, ธความเจ็บใจก็จะไม่ร้อนใจก็จะเย็นได้นี่คือเรื่องของใจถ้าเราอยากจะให้ใจมีความเย็นมีความสบายกับเหตุการณ์ต่างๆ เราต้องรู้จักวิธีปรับใจถ้าใจชอบสิ่งไหนเราก็ต้องปรับให้ไม่ชอบสิ่งนั้นเพราะเวลาสิ่งที่เราชอบจากเราไปเราก็จะไม่สบายใจถ้าเราปรับใจของเราให้ไม่ชอบสิ่งที่เราชอบเวลาสิ่งที่เราชอบจากเราไปเราก็จะไม่ เสียใจเราก็จะไม่ทุกข์ใจนี่คือการปรับใจเราต้องมาปรับใจให้อยู่ตรงกลางนั่นเองให้อยู่ตรงที่เรียกว่าจะว่าชอบก็ไม่ใช่จะว่าไม่ชอบก็ไม่เชิงก็คือได้ทั้งสองอย่างจะให้ชอบก็ได้จะให้ไม่ชอบก็ได้สามารถปรับได้ทั้งสอง สองแบบถ้าเจอของชอบแล้วต้องสูญเสียของชอบไปก็ปรับใจให้ไม่ชอบในขณะที่เสียของชอบไปใจก็จะไม่ทุกข์ไม่เสียใจถ้าเจอของไม่ชอบแล้วปรับให้ชอบได้ก็จะอยู่กับของที่ไม่ชอบได้เช่นอยู่กับความแก่ได้อยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ อยู่กับความตายได้ถ้าเราทำใจให้ชอบความแก่ให้ได้ให้ชอบความเจ็บไข้ได้ป่วยให้ได้ให้ชอบความตายให้ได้ใจเราก็จะไม่ทุกกับความแก่ไม่ทุกกับความเจ็บไม่ทุกกับความตายทำอย่างไรจึงทาให้เรา ชอบความแก่ชอบความเจ็บไข้ได้ป่วยชอบความตาย <c oughs> ก็ต้องเข้าหาสิ่งเหล่านี้เหมือนกับเวลาที่เราชอบสิ่งที่เราชอบเราทำอะไรกับสิ่งที่เราชอบเราก็หาสิ่งเราก็เข้าหาสิ่งที่เราชอบเราชอบคนนั้นคนนี้เราก็ไปหากคนนั้นคนนี้เราชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้าเราชอบเราต้องชอบความแก่ความเจ็บความตายเราก็ต้องเข้าหาความแก่หาความเจ็บหาความตายทำอย่างไรแต่จเรียกว่าเข้าหาความแก่หาความเจ็บหาความตายก็ต้องอยู่แบบเหมือนกับเราเป็นคนแก่นั่นเองคนแก่ทำอะไรไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปเล่นไม่ได้ไปกินไปดื่มไม่ได้ เราก็อย่าไปกินอย่าไปดื่มอย่าไปเที่ยวอย่าไปเล่นเราก็เท่ากับเราเป็นคนแก่เช่นเดียวกับคนเจ็บหรือคนตายก็แบบเดียวกันคนเจ็บ ก, ก็เที่ยวไม่ได้เล่นไม่ได้กินดื่มไม่ได้คนตายก็เที่ยวไม่ได้เล่นไม่ได้กินดื่มไม่ได้เช่นเดียวกันนี่คือวิธีที่เรา ต้องอ่าตับใจให้ชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบพระพุทธเจ้าก็เลยให้เรามาถือศีลแปดมาเปรีกวิเวกมาอยู่กันตามลาพังอันนี้ก็เหมือนกับอยู่อยู่เป็นเป็นเหมือนเป็นคนแก่เป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นคนตายคนแก่ทำอะไรอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้น คนเจ็บไค่ได้ป่วยคนตายเขาทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นถ้าเราทำได้เราก็จะเราก็จะเป็นคนแก่ได้เป็นคนเจ็บได้เป็นคนตายได้เวลาถึงเวลาที่เราต้องเป็นคนแก่จริงๆเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆเป็นคนตายจริงๆเราก็จะเป็นได้อย่างสบายเพราะเรา ปรับใจของเราให้ชอบกับความแก่ได้ให้ชอบกับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ให้ชอบกับความตายได้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์เวลาเราพัดพากจากคนนั้นคนนี้เราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราชอบการพัดพากจากกันเช่นเราไปอยู่คนเดียว ไปปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวไม่พบปะกับใครก็เป็นเหมือนกับการทัดทากจากคนต่างๆไปนั่นเองเนี่ยอุบายวิธีของการปฏิบัติที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติกันนี้ก็เป็นการให้เรามาชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบกันให้เรามาปรับใจกันให้มาชอบความแก่ชอบความเจ็บไข้ได้ป่วย ชอบความตายชอบความเจ็บไข้ได้ป่วยทายัยางไงก็ให้นั่งไปนานๆร่างกายเจ็บไปตามาตามร่างกายก็ปล่อยมันเจ็บไปอย่าไปขยับอย่าไปเปลี่ยนอิริยาบถปล่อยให้มันหายไปเองเหมือนกับเวลาเราเป็นไข้เป็นไข้นี่เราทําอะไรไม่ได้นอกจากกินยากินยาแล้วเราก็ต้องนั่งรอนอนรอ ให้ไข้มันหายไปขณะที่มันไม่หายเราก็ต้องอยู่กับมันแต่เราอยู่แบบไหนส่วนใหญ่เราอยู่แบบไม่ชอบกันใจของเราจึงไม่มีความสุขกับความเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราอยู่แบบชอบความเจ็บไข้ได้ป่วยใจของเราก็จะมีความสุขกับความเจ็บไข้ได้ป่วย เราถึงต้องฝึกนั่งสมาธิไปนานๆจนให้มันเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาตามร่างกายแล้วก็ปรับใจของเราจากการไม่ชอบให้มาชอบความเจ็บของร่างกายถ้าเราปรับใจให้ชอบได้ใจเราก็จะไม่มีความอยากที่จะลุกอยากที่จะเปลี่ยนอิริยาบถ อยากที่จะให้ความเจ็บของร่างกายหายไปใจของเราก็จะเป็นอุเบกขาวางเฉยได้กับความเจ็บของร่างกายร่างกายจะเจ็บก็ปล่อยให้เจ็บไปได้ใจไม่ทุกข์ไม่ทุรนทุรายไม่ทรมานกับความเจ็บของร่างกายซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้เพราะมีผู้ปฏิบัติทำกันมาแล้ว เช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่มีความทุกข์ทุรนทุรายทรมานกับความเจ็บปวดของร่างกายเพราะท่านรู้จักวิธีปรับใจจากการไม่ชอบให้มาชอบและให้มาเฉยกับความเจ็บของร่างกายได้พวกเราก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกัน ถ้าเรามีสติคอยประคับประคองใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่ปล่อยให้ใจมีช่องออกไปเกิดความไม่ชอบขึ้นมาอย่าให้ใจออกไปรับรู้ความเจ็บของร่างกายพอรับรู้แล้วจะเกิดความไม่ชอบเกิดความอยากที่จะหนีจากความเจ็บนี้ไป พอเกิดความอยากแล้วก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาจนกระทั่งทนนั่งอยู่ต่อไปไม่ได้ที่ทนไม่ได้ไม่ใช่เพราะความเจ็บของร่างกายแต่ทนไม่ได้เพราะความทุกข์ที่เกิดจากความอยากลุกหนีจากความเจ็บความอยากให้ความเจ็บนี้หายไปแต่ถ้าเราปรับใจ อยากการไม่ชอบความเจ็บให้มาชอบหรือไม่ไปสนใจกับความเจ็บให้จดจอ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นถ้าบริกรรมพุทโธก็ให้บริกรรมอยู่กับพุทโธไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ปล่อยให้มาคิดถึงความเจ็บพอใจไม่ไปคิดถึงความเจ็บความอยากที่จะให้ความเจ็บหายไปก็จะไม่มีโอกาสแสดงตัวออกมา เมื่อไม่มีความอยากให้ความเจ็บหายไปความทุกข์ทรมานใจก็ไม่เกิดใจก็นิ่งสงบอยู่กับความเจ็บนั้นได้อันนี้เป็นอุบายของการใช้สติเพื่อให้ใจเป็นสมาธิให้ใจสงบไม่ดิ้นพร่านไปกับความอยากให้ความเจ็บหายไปถ้าจะใช้อุบายของปัญญาของวิปัสสนา ก็ต้องสอนใจให้ปรับให้ชอบหรือให้เฉยให้กับสิ่งที่ตนไม่ชอบเช่นไม่ชอบความเจ็บก็ต้องหัดชอบชอบเพื่อดึงให้ใจกลับมาจากความไม่ชอบให้มาอยู่เฉยเฉยพอใจกลับมาอยู่เฉยเฉยได้ใจไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกาย ก็ปัญหาก็จะหมดไปความทุกข์ทรมานใจก็หมดไปนี่คือการปรับใจให้ใจตั้งอยู่ในความสงบให้ใจตั้งอยู่ในอุบเบกขาวางเฉยเป็นกลางคือจากชอบก็เดึงให้มาอยู่ตรงกลางจากไม่ชอบก็เดินให้กลับมาอยู่ตรงกลางด้วยการชอบหรือไม่ชอบ ถ้าไม่ชอบก็ต้องชอบเพื่อที่จะได้ดึงให้ใจออกจากความไม่ชอบมาอยู่ตร ง, งกลางถ้าชอบก็ต้องดึงใจให้กลับมาอยู่ตรงกลางด้วยความไม่ชอบเมื่อกลับมาอยู่ตรงกลางแล้วก็ปลอดภัยใจก็จะไม่ทุกข์ไม่ทรมานกับเหตุการณ์ต่างๆกับสิ่งต่างๆที่ใจ ต้องสัมผัสรับรู้เช่นความแก่ความเจ็บความตายการพัดภาาจากบุคคลต่างๆจากสิ่งต่างๆที่ใจรักที่ใจชอบไปถ้าเรารู้จักวิธีปรับใจแล้วเราก็เหมือนกับมีเครื่องปรับอากาศอยู่ในใจพอใจร้อนก็ทำให้เหย็นได้ พอใจทุกก็ทำให้ใจสุขได้นี่คือเหตุผลที่พวกเราต้องมาฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีปรับใจแล้วเราก็จะได้นำเอาวิธีปรับใจนี้มาปฏิบัติกันมาฝึกซ้อมกันตอนนี้เรายังปฏิบัติไม่เป็น เหมือนกับเราอยากจะเต้นราแต่เราเต้นไม่เป็นเราก็ต้องไปดูคนที่เขาเต้นเป็นไปเรียนจากคนที่เขาเต้นเป็นถามเขาว่าเต้นอย่างไรทำอย่างไรพอเขาสอนให้เราว่าต้องเต้นอย่างนั้นต้องทาอย่างนี้เราก็ต้องเอาไปทำดูเราเอาไปลองเต้นดูก่อนตอนต้นเวลาเต้นใหม่ๆก็รู้สึกว่าเคะเขินรู้สึกว่ามันไม่ถนัด แต่พอลองทําไปสักพักหนึ่งความชํานาญความถนัดมันก็จะเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็เต้นได้เป็นแบบธรรมชาติเต้นแบบไม่ต้องคิดตอนต้นต้องคิดก่อนว่าต้องทําอย่างนี้ต้องเต้นแบบนี้ต้องเต้นอย่างนั้นต้องเต้นอย่างนี้พอลองเต้นไปตามที่คิดอยู่สักพักหนึ่งต่อไปไม่ต้องคิดแล้วต่อไปบอกให้มันเต้นมันก็เต้นได้เล สันดายการปฏิบัติเพื่อปรับใจของเราให้อยู่ตรงกลางให้เป็นอุเบกขานี้ก็ต้องศึกษาวิธีก่อนว่าต้องทำอย่างไรเมื่อรู้จักวิธีแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติเอาไปลองทำดูเวลาทำใหม่ๆก็จะรู้สึกว่ามันไม่ถนัดมันยากเพราะเราไม่เคยทำมอก่อน แต่ถ้าเราพยายามทําไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะถนัดพอถนัดแล้วมันก็จะง่ายแล้วต่อไปมันก็จะทําโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องคิดโดยไม่ต้องสั่งพอบอกให้มันทำํำปั๊บมันก็จะทําเลยเพราะความชำนาญ น, นี่เองดังนั้นถ้าเราอยากจะรู้จักวิธีปรับใจ เราอยากจะต้องการปรับใจของเราให้อยู่ในในถ้ำกลางของความชอบและความไม่ชอบคือให้อยู่ตรงกลาง ร, ระหว่างความชอบกับความไม่ชอบก็คือความเฉยหรือที่เรียกว่าอุเบกขาเนี้เราก็ต้องทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนกานก็สอนให้เรารักษาสิงแปด สินห้านี้ไม่มีกำลังพอที่จะตัดความชอบความไม่ชอบได้ต้องใช้สินแปดสินแปดเราจะได้มาชอบกับการอยู่คนเดียวไม่ร่วมหลับนอนกับใครเราชอบร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราถ้าเวลาคู่ครองไม่อยู่เราก็จะเกิดความทุกข์ใจ ก่อความไม่สบายใจขึ้นมาเพราะว่าเราไม่เคยปรับใจให้อยู่แบบคนเดียวอยู่แบบไม่ชอบอยู่สองคนดังั้นถ้าเรามาถือสีลแปก็เหมือนกับว่าเรามาปรับใจให้เราชอบกับการอยู่คนเดียวถือสีงแปแล้วก็ไปอยู่ที่ห่างไกลจากมนุษย์มนาทั้งหลายห่างไกลจากเสียงจากอะไรต่างๆ ที่ใจเคยชอบอยู่นี่คือการปรับความความชอบคือปรับให้ใจไม่ชอบในสิ่งที่ชอบคืออย่าไปอยู่ใกล้สิ่งที่ชอบอย่าไปหาสิ่งที่ชอบอันนี้ก็เหมือนกับปรับใจให้ไม่ชอบสิ่งที่ชอบนั้นเพื่อให้ใจได้มาอยู่ตรงกลางคืออยู่ระหว่างชอบกับไม่ชอบ เหมือนถ้าเราอยู่ทางด้านซ้ายเราอยากจะอยู่ตรงกลางเราก็ต้องขยับมาทางด้านขวาพอมาถึงตรงกลางเราก็หยุดได้ไม่ต้องขยับมากเกินไปกว่านั้นเพราะขยับมากไปกว่านั้นมันเดี๋ยวจะไปทางขวาไปอีกก็ต้องปรับมาทางซ้ายใหม่เราปรับจากซ้ายมาขวาเพื่อให้มันอยู่ตรงกลางเราปรับความชอบ ด้วยความไม่ชอบเพื่อให้มันมาอยู่ตรงกลางคือเฉยเฉยแล้วปรับความไม่ชอบด้วยความชอบเพื่อให้มันมาอยู่ตรงกลางอยู่ตรงอุเบกขานี้ให้มันเฉยเฉยกับสิ่งที่เคยชอบกับสิ่งที่ไม่ชอบเวลาต้องสูญเสียสิ่งที่ชอบไปใจก็จะเฉยเป็นเฉยได้เวลาเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจก็จะเฉยได้ ใจรู้จักวิธีปรับถ้าไม่เคยปรับนี่จะปรับไม่ได้เวลาสูญเสียสิ่งที่ชอบไปก็อยากจะให้สิ่งที่ชอบกลับมาอีกพอเกิดความอยากให้สิ่งที่ชอบกลับมาก็เกิดความทุกข์ทรมานใจเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาเวลาไปเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็จะเกิดความ อยากให้สิ่งที่ไม่ชอบหายไปหรืออยากจะหนีจากสิ่งที่ไม่ชอบไปพอทำไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเช่นเวลาเจอความแก่เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอความตายถ้าปรับใจให้เฉยกับสิ่งที่ไม่ชอบไม่ได้ก็จะต้องทุกข์ใจ พออยากจะหนีจากความแก่อยากจะหนีจากความเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะหนีจากความตายไปแต่ถ้าปรับเป็นก็จะเฉยได้เฉยกับความแก่เฉยกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเฉยกับความตายได้ตอนนี้พระเจ้าสอนให้พวกเรามาปรับกันด้วยการถือสิงแต่ เราเคยชอบร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราเราก็จะหยุดพักสักชั่วคราวทดลองการอยู่คนเดียวอาจอยู่คนเดียวอยู่แบบไม่ต้องมีคู่ครองดูว่าเป็นอย่างไรเราเคยชอบทำอะไรถ้าเราถือศีลแปดเราก็จะหยุดกระทาชอบร่วมหลับนอนก็หยุดร่วมหลับนอนชอบรับประทานอาหาร หลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะหยุดรับประทานเพราะว่ามันไม่จำเป็นจะต้องรับประทานมากขนาดนั้นถ้าจะรับประทานเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้รับประทานเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งก่อนเที่ยงวันก็เหลือเฟือแล้วสำหรับที่จะรักษาร่างกายให้อยู่อย่างปกติสุขได้จึงไม่จาเป็นจะต้องรับประทานอาหาร หลังจากเที่งวันไปแล้วอันนี้ก็มาทําในสิ่งที่เราไม่ชอบคือเราชอบรับประทานตอนนี้เราจะจะไม่ชอบรับประทานกันเราชอบออกไปเที่ยวออกไปหาความสุขทางตาหูจหมูกนิ้่งกายกับการบันเทงิงกับมหาะมหะรอพต่างๆหรือกับการแต่งเนื้อแต่งตัว เสริมสวยเสริมความงามของร่างกายด้วย เ, เสื้อผ้าอาพรด้วยเครื่องสำอางด้วยน้ํามันน้ําหอมอะไรต่างๆเราก็จะมาไม่ชอบกับการกระทําเหล่านี้ด้วยการไม่กระทำํำเราชอบดูภาพยนต ร, ร, ร์เราก็จะไม่ดูชอบดูละครเราก็จะไม่ดูชอบ ดื่มชอบรับประทานเราก็จะไม่ดื่มไม่รับประทานชอบแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาแต่งภาพแต่งผมแต่งเผ้าก็จะไม่แต่ง อ, อันนี้ก็เป็นการกระทำใสิ่งที่เราชอบไม่ไม่กระทำในสิ่งที่เราชอบอก็เหมือนกับไม่ชอบอเพื่อให้ใจเรา เฉยๆกับเรื่องราวเหล่านี้มีมาราศพดูหรือไม่มีมารสพดูเราก็ไม่เดือดร้อนถ้าเรายังเดือดร้อนอยู่ก็แสดงว่าใจเรายังไม่เฉยถ้าเราถือศีลแปดแล้วใจเรามีความทุกข์กับการถือศีลแปดก็แสดงว่าใจเรายังไม่เข้าอยู่ตรงอุเบกขาแต่ตอนต้นก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปก่อน เพราะยังมีความชอบอยู่ยังมีความชอบที่จะนอนกับคนนั้นคนนี้ยังชอบที่จะรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วยังชอบออกไปดูมหรสศพบันเทิงไปเที่ยวไปเล่นยังชอบแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาแต่งผ้าแต่งผมอยู่พอไม่ได้ทำก็จะเกิดความ ไม่สบายใจทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราพยายามทำไปเรื่อยๆควบคู่กับการควบคุมจิตใจปรับจิตใจด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาต่อไปใจของเราก็จะเข้าอยู่ตรงตรงกลางได้คือตรงอุเบกขาได้คือ ชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้เวลาสูญเสียสิ่งที่ชอบไปก็เปลี่ยนใจได้ว่าไม่ชอบพอไม่ชอบก็จะไม่เสียใจเวลาสูญเสียสิ่งที่ชอบไปเวลาเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็เปลี่ยนใจให้ชอบได้ก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งที่ไม่ชอบเพราะสามารถเปลี่ยนให้ชอบได้สามารถทำใจให้อยู่กลางได้นั่นเอง ใช้ความชอบไม่ชอบนี้มาปรับให้ใจมาอยู่ตรงกลางอยู่ระหว่างระหว่างชอบและไม่ชอบถ้าชอบก็ต้องใช้ความไม่ชอบหนึ่งใจให้มาอยู่ตรงกลางถ้าไม่ชอบก็ต้องึงต้องใช้ความชอบเพื่อนึงใจให้มาอยู่ตรงกลางนี่คือเรื่องของการปรับใจเหมือนกับการปรับอากาศ ถ้าอากาศร้อนเราก็เปิดเครื่องปรับอากาศอากาศก็จะเย็นลงถ้าอากาศหนาวเขาก็มีเครื่องปรับอากาศให้ร้อนขึ้นมาได้เพื่อที่จะได้อุณหภูมิที่พอดีกับกับร่างกายถ้าหนาวเกินไปมันก็ไม่ดีถ้าร้อนเกินไปมันก็ไม่ดีสาหรับร่างกาย อุณหภูมิของร่างกายกับอุณหภูมิของอากาศนี้ต้องสมดุลกันอยู่ในระดับเดียวกันร่างกายถึงจะรู้สึกสบายฉําใดใจจะรู้สึกสบายได้ก็ต้องปรับความชอบและความไม่ชอบให้สมดุลกันคือให้ใจอยู่ตรงกลางให้ชอบและไม่ชอบได้คือให้เฉยได้ให้เฉยกับสิ่งที่ชอบ ให้เฉยกับสิ่งที่ไม่ชอบวิธีที่จะปรับก็ต้องใช้สีลสมาธิปัญญานี่สีนก็คือสีแปดถ้าถือสีแปก็ต้องเปรกวิเว้อยู่คนเดียวถึงจะรักษาสีแปดได้อย่างสมบูรณ์และรักษาได้อย่างไม่เดือดร้อนใจถ้าเรารักษาสีแปดแล้วอยู่กับคน อยู่ที่บ้านที่มีคนกินอาหารเย็นมีคนเปิดทีวีดูมีคนเปิดเพลงฟังมีการร้องแ้วร้องลาทำเพลงมีการจัดงานเลี้ยงต่างๆมีการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอารณ์ที่วิจิตรพิสดารแต่งหน้าแต่งผมให้สวยงามเราก็จะทําได้ยากเพราะ พอเห็นแล้วใจเราเกิดความชอบขึ้นมาแต่เรากำลังทาในสิ่งที่ที่ใจไม่ชอบไม่ได้ทาในสิ่งที่ชอบมันก็จะเกิดความอยากขึ้นมาอยากจะทำตามก็อาจจะไม่สามารถรักษาสิ่ได้ไม่สามารถจะลอยสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ ไม่สามารถใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราชอบนี้มันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวชั่วคราวเป็นความสุขที่ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆเวลาใดไม่ได้เติมเวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ใจเช่นเวลาแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาตายไปคนจึงเกิดความทุกข์ใจกัน เพราะเพาะเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่สามารถเติมความสุขทางตาหูจมูกเิ้นกายได้นั่นเองแต่ถ้าเราไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวเราก็จะรู้สึกรักษาสินแปะได้ง่ายเพราะไม่มีอะไรมากระตุ้นความอยากไม่ถ้าเราไม่เห็นหน้าแฟนคู่รักคู่ครองของเรา ความอยากที่จะร่วมหลับนอนของเขาก็ไม่เกิดขึ้นนอกจากเราปล่อยใจของเราไปคิดถึงเขาอันนั้นเราก็ต้องใช้สติควบคุมอีกอีกชั้นหนึ่งรักษาศีนแปแล้วก็ต้องใช้สติคอยควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดถึงแฟนไม่ให้ไปคิดถึงอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่ให้คิดถึงมรหอมรรรสบบันเทิงต่าง ไม่ให้คิดถึงการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากถ้าเราไม่ควบคุมความคิดถึงแม้ว่าเราจะไปอยู่คนเดียวไปอยู่ห่างกายจากแสงสีเสียงแต่ถ้าเราคิดก็เหมือนกับเราอยู่ใกล้สักสิ่งเหล่านั้นนั่นเองแล้วถ้าคิดมากๆเดี๋ยวก็จะทนกับความอยากไม่ได้เพราะเมื่อคิดแล้วก็จะเกิดความอยากตามมา พอ เ, เกิดความอยากตามมาก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจตามมาพอทุกข์มากๆก็เลยอยู่ไม่ได้ศินแปดก็ขาดไปบางคนสมาทานศีลแปดทำไปทํามาลดเหลือแค่สินห้าไปโดยอัตโนมัติ <c oughs> ก็มีคําถามมว่าสมาทานศินแปดแล้วรักษาไม่ไหวกลับมารักษาสินห้าจะเป็นอย่างไร ก็ไม่เป็นอย่างไรมันก็ไม่ได้รักษาสีนแปดท่นั้นมันก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์จากการรักษาสีนแปดก็คือจะไม่สามารถที่จะละสิ่งที่ชอบได้จะไม่สามารถทำใจให้เป็นกลางกับสิ่งที่ชอบได้เวลาเห็นสิ่งที่ชอบนี่ใจจะล่องดิ้นขึ้นมา ท, ทันทีแต่ถ้าสามารถรักษาสีนแปดได้ สามารถควบคุมใจไม่ให้คิดไม่ให้อยากกับสิ่งที่สินแปดห้ามไม่ทําได้เวลาเจอสิ่งเหล่านั้นก็จะเฉยได้ไม่รู้สึกแบบนั้นเห็นคนเขากินอาหารเย็นก็ไม่รู้สึกคิวตามเขาไปเห็นเขาดูหนังฟังเพลงเล่นละครร้องราทําเพลงก็ไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งที่เขาทํากันนี่คืออนิสงส์ที่จะเกิดขึ้น จากการรักษาสินแปรและจากการควบคุมใจด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาก็คือจะทำให้ใจนั้นเป็นกลางเฉยๆได้กับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสิ่งที่เคยชอบและสิ่งที่ไม่ที่เคยไม่ชอบพอได้สัมผัสก็จะเฉยๆพอรู้จักวิธีปรับใจให้สมดุลให้อยู่ที่ ตรงกลางให้อยู่ที่อุเบกขานี่เองนี่แหละคือเรื่องของการปรับใจถ้าเราอยากจะให้ใจของเรามีความร่มเย็นเป็นสุขไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีทั้งเกิดมีทั้งดับมีทั้งเจริญมีทั้งเสื่อม เกิดเป็นอยู่เป็นอยู่อย่างนี้มาตลอดเป็นมาตั้งแต่ก่อนเราเกิดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปหลังจากที่เราตายไปแล้วเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะไปไปยุ่งด้วยไม่ควรไปปรับไปเปลี่ยนไปแก้ไขเพราะว่ามันเหนืออยู่เหนือวิสัยเหล่านั้นเองแก่อย่างไงเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปของมันเองแก้ให้มันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างนั้น อีกนะเช่นแก้ความแก่ลองแก้ด้วยเสริมความงามไปไปไปดึงหนังให้มันตึงขึ้นเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีมันก็หย่อนลงมาอีกดึงไปดึงมาจนกระทั่งมันดึงไม่ไหวมันก็เลิกดึงเองเหนื่อยไปเปล่าๆอย่าไปปรับร่างกายมาปรับใจดีกว่าปรับใจให้ชอบกับความแก่ปรับใจให้ชอบอกั บ, ใใบความเจ็บไข้ได้ป่วย ปรับใจให้ชอบกับความตายปรับใจให้ชอบกับการพลาดพลาจากกันเพราะเวลาเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นใจจะได้ไม่ทุกข์ไม่ต่อต้านไม่เกิดความอยากไม่ให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นใจก็พอไม่มีความอยากอยู่ภายในใจใจก็เย็นสบายใจมีธรรมใจมีสติมีสมาธิมีปัญญา คอยปรับใจให้เป็นอุเบกขาอยู่เรื่อยๆกิเลสตัณหาก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้ถ้ามีธรรมคอยปรับใจถ้าไม่มีธรรมกิเลสมันก็จะทําให้ใจแกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปทางชอบแกว่งไปทางไม่ชอบแล้วก็เกิดความทุกข์เกิดความทรมานใจตามมา ดัง น, นั้นเราต้องมาปรับที่ใจเราถ้าเราอยากจะให้ใจของเรามีความสุขมีความสบายเพราะว่าไปปรับสิ่งอื่นนั้นปรับได้ก็ปรับได้เดี๋ยวเดียวชั่วคราวแล้วเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนไปอีกเราก็ต้องคอยปรับอยู่เรื่อยจนในที่สุดเราก็จะไม่สามารถปรับมันได้เวลาปรับมันไม่ได้จะทำยังไง ถ้าปรับใจไม่ได้ก็จะมีแต่ความเครียดมีแต่ความทุกข์ทรมานใจมีแต่ความเศร้าส้อยหเหงาเช่นเวลาต้องอยู่คนเดียวถ้าไม่เคยปรับใจมาก่อนให้อยู่คนเดียวให้ได้พอต้องอยู่คนเดียวแล้วจะอยู่ไม่ได้เพราะอยากจะอยู่กับคนนั้นคนนี้แต่ไม่สามารถที่จะไปอยู่ไปทำอะไรร่วมกับเขาได้ ต้ อ, อยู่เฉยๆคนอื่นเขาออกไปเที่ยวไปเล่นกันเราไปกับเขาไม่ได้เขาปล่อยทิ้งเราไว้อยู่ในบ้านคนเดียวตอนนั้นเราก็จะมีแต่ความ ว, าว้าเหวเศร้าซ้อยง้อยเหงาแต่ถ้าเรารู้จักปรับใจให้ชอบกับความอยู่อยู่คนเดียวอยู่กับการไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ พอถึงเวลาเป็นไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาทําอะไรไม่ได้จริงๆขึ้นมาก็จะทําใจได้ทําใจให้เฉยได้ไม่เดือดร้อนอยู่คนเดียวก็ได้มีความสุขได้กับการอยู่คนเดียวถ้าทําใจให้เป็นกลางให้ได้ให้ชอบกับการอยู่คนเดียวให้ได้นี่คือเรื่องของใจที่ เราต้องรู้จักวิธีปรับถ้าเราไม่รู้จักวิธีปรับใจเราก็จะเก่งไปเก่งมากับความชอบกับความไม่ชอบเวลาเจอความชอบก็จะดีใจพอความชอบนั้นจากเราไปาก็จะเสียใจเวลาเจอสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็จะทุกข์ใจจะเบาใจก็ต่อเมื่อสิ่งที่เราไม่ชอบนั้นหมดไปถ้าเราไปทำสิ่งที่ไม่ชอบให้หมดไปด้วยการทำบาป เราก็จะไปสร้างความร้อนใจขึ้นมาในรูปแบบหนึ่งทีคนที่ทําบากปกันก็มักจะทําเพราะว่าอยากจะกำจัดสิ่งที่ไม่ชอบนั่นเองไม่ชอบภรรยาอยากจะได้แฟนใหม่ก็ฆ่าภรรยาเสียจะได้อยู่กับแฟนใหม่เออฆ่าแล้วก็เกิดความทุกข์วิตกกังวลขึ้นมาภายในใจ แต่ถ้าทำใจแล้วว่าเอาไม่ชอบแต่ก็ต้องอยู่เขาก็หัดชอบเขาสิเมื่อก่อนก็เคยชอบทำไมเดี๋ยวนี้ทำไมทาไมต้องไม่ชอบแล้วพอปรับใจให้เฉยได้ เ, เขาจะอยู่ก็อยู่เขาจะไปก็ไปใจก็จะไม่ทุกข์ก็ไม่ต้องไปฆ่าเขาไม่ต้องไปติดคุกติดตารางไม่ต้องถูกไปจับลงโทษประหารชีวิต ถ้าทำใจได้สังคมเราทุกวันนี้ที่มีปัญหากันมากม า, กายก่กลกองก็เพราะว่าไม่ยอมปรับใจกันชอบไปปรับสิ่งต่างๆที่ตนเองมีปัญหาด้วยสิ่งไหนที่ไม่ชอบก็ทำลายมันเสียสิ่งไหนที่ชอบก็ปนเข้ามาแย่งเข้ามาโกงเข้ามาสุดแท้แต่วิธีที่จะทำขอให้ได้สิ่งที่ชอบมาก็แล้วกัน ถ้าทำด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องมันก็มีปัญหาตามมามีโทษตามมาผิดกฎหมายก็ต้องติดคุกติดตารางผิดศีลธรรมก็ต้องไปใช้กรรมในอบายขณะที่มีชีวิตอยู่ก็รุ่มร้อนด้วยความร้อนด้วยความหวาดกลัววิตกกังวลต่งตางๆแต่ถ้ารู้จักวิธีปรับใจก็เฉยๆไปเท่นั้นเอง เจอสิ่งที่ไม่ชอบก็เฉยไปเจอสิ่งที่ชอบก็เฉยถ้าไม่ได้มาด้วยความที่ถูกต้องถ้าไม่ได้มาด้วยความอปลอดจากการทำบาปก็ไม่ต้องเอามันชอบก็ชอบไปชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีก็ไม่ต้องไปทำอะไรเสียหายไม่มีโทษตามมาอยู่เฉยๆไม่มีอะไรก็อยู่ได้ อดมือ้อกินมือ้อก็อยู่ได้เพราะเคยเคยปฏิบัติมาแล้วเคยซ้อมมาแล้วเวลาปฏิบัตินี้บางทีก็ต้องอดอาหารบ้างเพื่อที่จะได้ให้รู้จักวิธีอยู่กับความอดบ้างเพราะอนาคตเราไม่รู้ว่าจะมีเวลาใดบ้างที่เราอาจจะไม่มีอาหารรับประทานถ้าเรารู้จักอดได้ เวลาเจอเหตุการณ์นั้นเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็ไม่ต้องไปทำบาปทำกรรมไปทำผิดกฎหมายเพื่อไปหาอาหารมารับประทานนี่แหละอานิสงส์ของการปรับใจนี้จะทำให้เรามีชีวิตที่เรียบง่ายที่สงบที่เย็ยนที่สบาย เป็นชีวิตที่ไม่มีปัญหากับใครทั้งนั้นเพราะจะไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นจะไม่ทำผิดศีลผิดธรรมจะไม่ทำผิดกฎหมายจะอยู่อย่างมีความสุขไม่ว่าจะอดอยากขาดแคนจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะตายไปก็จะไม่เดือดร้อนเพราะใจ เป็นกลางอยู่ตลอดเวลาใจไม่มีความชอบหรือไม่มีความไม่ชอบเมื่อไม่มีความชอบหรือความไม่ชอบก็จะไม่มีตัณหาความอยากอยากมีหรืออยากไม่มีพอไม่มีความอยากใจก็จะไม่ทุกข์นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องทำให้ได้คือปรับใจปรับใจให้เป็นกลางให้เป็นอุบเบกขา เพื่อรังนับไม่ให้มีความอยากต่างๆให้เกิดขึ้นมาถ้าใจเป็นกลางแล้วใจไม่จะไม่มีความอยากเกิดขึ้นมาใจจะเฉยๆเมื่อเห็นสิ่งที่ชอบเฉยๆก็ไม่มีความอยากได้เมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ชอบก็เฉยๆก็จะไม่มีความอยากหนีแต่ถ้าไม่มีความปุเบคาไม่มีความเฉยพอเจอชอบก็ต้องอยากได้ทันที ไม่ชอบก็อยากจะหนีไม่ อ, อยากจะทำลายสิ่งที่ไม่ชอบทันทีใจก็จะทุกข์ไปกับการกระทำของตนทุกข์ไปกับความอยากและความไม่อยากดังนั้นเราต้องมาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติศีลสติสมาธิปัญญากันหรือศีลแปดแล้วก็ไปเปรีกเว่อยู่ตามลาพัง จะเลี้ยสติอยู่อย่างต่อเ น, นื่องเพื่อควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปในทางความอยากถ้าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็อยากจะกลับไปหาเขาคิดถึงอาหารก็อยากจะไปกินหลังจากเที่ยงวันไปแล้วคิดถึงเรื่องมหาศพ บ, บันเทิงก็อยากจะไปไปเที่ยวไปดูไปฝังก็จะ ไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ในความสงบอยู่ในอุบเบกขาอยู่แบบเฉยๆได้แต่ถ้าสามารถควบคุมความคิดได้ใจไม่ไปคิดถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นความอยากต่างๆก็จะไม่เกิดความทุกข์ทรมานใจก็จะไม่เกิดก็จะอยู่คนเดียวได้อยู่ตามลำพังได้แล้วถ้าใช้ปัญญา สอนใจให้เห็นว่าการทําตามความอยากนี้จะได้ความสุขเพียงชั่วคราวและต้องทําไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเวลาใดไม่สามารถทําตามความอยากได้เวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาและแม้กระทั่งได้ทําตามความอยากถ้าทําบ่อยๆเข้าก็เกิดความเบื่อได้เหมือนกันเบื่อก็ต้องเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นเบื่อคนนี้ก็ต้องเปลี่ยนไป หาคนใหม่มาก็จะเป็นปัญหาตามใหม่ได้ดังนั้นเราจึงต้องมารักษาศีลกันโดยเฉพาะศีลแปดแล้วก็ต้องมาเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้ควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพื่อที่จะทำใจให้สงบเป็นสมาธิเวลาเราไม่คิดถึงเรื่องอะไรเรานั่งเฉยๆ ดูลมหายใจหรือบริกรรมพุโทโธไปเดี๋ยวใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเป็นอุเบกขาเข้าสู่จุดที่เราต้องการให้ใจเข้าไป <c oughs> ก็คือจุดอุเบกขานี่เองพอออกมาจากสมาธิพอใจจะเคลื่อนออกจากอุเบกขาด้วยความอยากด้วยความคิดเราก็ใช้สติใช้ปัญญาสักกะเอาไว้สอนใจว่าอย่าไปอยากอย่าไปคิดถึงเรื่องต่าง กลับมาอยู่ที่พุโทโธหรือกลับมาอยู่ที่อนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็จะหยุดอยากได้เพราะใครอยากจะไปเอาความทุกข์มาใส่ใจสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้นี้ใจไม่รู้หรอกว่ามันเป็นความทุกข์เพราะไม่ได้พิจารณาด้วยปัญญาไม่เห็นว่าสิ่งที่อยากได้มาได้มาแล้วมันก็ต้องหมดไป พอหมดไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความอยากได้ใหม่ขึ้นมามอยากได้ใหม่ก็ทุกข์เองพอได้มาก็ทุกข์เองแต่ถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าการทำตามความอยากนี้มันเป็นการนำพาไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่ไปสู่การดับทุกข์การที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ก็คือการไม่ทำตามความอยากนีอ่องถ้ามีปัญญาแล้ว ก็จะสามารถรักษาอุเบกขาที่ได้จากการนั่งสมาธิได้อย่างถาวรเพราะว่าจะกำจัดความอยากตัวที่จะเป็นดึงใจให้ออกจากอุเบกขาคือการวางเฉยนี่เองถ้าเกิดความอยากก็แสดงว่าไม่เฉยแล้วถ้าถ้าเฉยก็ต้องไม่อยากถ้าอยากก็ต้องใช้ปัญญา ให้เห็นว่าสิ่งที่อยากเป็นความทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันต้องเสื่อมมันต้องหมดไปมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวเราเราไม่สามารถรักษามันไว้ให้อยู่กับเราไปได้ตลอดนี่คือการปรับใจด้วยธรรมเหมือนกับเราปรับอากาศด้วยเครื่องปรับอากาศถ้าเรามีเครื่องปรับอากาศคือมีธรรมอยู่ภายในใจแล้ว ใจของเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขจะไม่มีความทุกข์ไปตลอดนี่แหละคือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่ได้เปลี่ยนจากปุถุชนอย่างพวกเรามากลายเป็นพระพุทธเจ้ากลายเป็นพระอาหารหันต์ด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้เอง เดยกระทั่งใจตั้งอยู่ในอุเบกขาตลอดเวลากำจัดเหตุที่จะดึงใจให้ออกจากอุเบกขาให้หมดไปจากใจได้หมดคือตัณหาทั้งหลายใจก็จะเป็นอุเบกขาไปตลอดเป็นนิพพานังปรมังสุขขังไปในที่สุดปรมังสุขขังก็เพราะว่าเป็นอุเบกขาตลอดเวลาไม่มีวันที่จะ ออกไปจากอุเบกขาเพราะไม่มีเหตุที่จะฉุดลากให้ใจออกจากอุเบกขาไปนั่นเองนี่แหละคือการปรับใจเพื่อให้ใจของเราอยู่เยนอย่างร่มเย็นเป็นสุขที่พวกเราทุกคนสามารถทากันได้อยู่ที่ว่าเราจะสนใจที่จะทำหรือไม่ถ้าเราไม่สนใจเพราะว่าพอเราลองทำ เพียงครั้งสองครั้งเราก็รู้สึกว่ามันยาก <c oughs> ก็ไม่อยากจะทําขึ้นมาถ้าเรามีความคิดแบบนี้เราก็จะทําต่อไปไม่ได้แต่ถ้าเราคิดว่าตอนเริ่มต้นไม่ว่าจะทําอะไรมันก็ต้องยากเป็นธรรมดายากเพราะยากไม่ใช่เพราะว่ามันยากยากเพราะว่ามันเราไม่เคยทําเราไม่ถนัดแต่พอเราหัดทําไปเรื่อยๆฝืนทําไปเรื่อยๆ ต่อไปเราก็จะทําได้ไม่เชื่อลองไปเรียนภาษาใหม่ดูยอยากจะเรียนภาษาอะไรต อ, ไตอนเริ่มต้นเรียนมันรู้สึกยากแต่พอเรียนไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ง่ายเองไม่ว่าจะทําอะไรเหมือนกันหมดจะพิมพ์ดีดตอนต้นก็ยากพอพิมพ์ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็ง่ายจะเล่นดนตรีชนิดไหนเหมือนกันตอนต้นมันก็ยาก แต่ถ้าเรียนไปทําไปตามที่เขาสอนต่อไปมันก็ง่ายเองต่อไปมันก็ชํานาญเองนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องคอยสอนใจเตือนใจเวลาที่เราปฏิบัติทําแล้วเราไม่ได้เรารู้สึกว่ามันยากก็อย่ายอมแพ้บอกว่าทําต่อไปทําต่อไปทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ต้องง่ายเองเพราะคนอื่นเขาทาได้แล้วเขาทามาแล้ว เขาทาได้แล้วเขาก็เริ่มต้นเหมือนกับเราตอนต้นเขาก็รู้สึกยากเหมือนกันแต่แต่เขาไม่ยอมหยุดเขาไม่ยอมถอยเขาทําไปเรื่อยๆจนในที่สุดเขาก็ทำได้เขาก็เป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเราก็เหมือนกันไม่ต่างกันก่อนที่เขาจะเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าเขาก็เป็นปุถุชนเหมือนเรา เขาไม่ได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทันทีที่ไหนก็ เ, เกิดมาเป็นปุถุชนมีกิเลสมีตัณหาเหมือนกันเป็นแต่ว่าเขามีความเห็นที่เห็นว่ากิเลสตัณหาเป็นโทษต้องกําจัดมันแล้วก็เห็นว่าวิธีกําจัดก็คือการปฏิบัติศิง ส, สมาธิปัญญานี้เขาก็พยายามปฏิบัติไป ทำจากเล็กไปหามากทำจากน้อยไปหามากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเทียรเล็กเทียรน้อยต่อไปมันก็ทำได้เต็มที่พอทำได้เต็มที่แล้วผลก็จะได้เต็มที่เพราะเหตุเพราะผลเกิดจากเหตุไม่ได้เกิดจากอะไรถ้าเหตุเต็มร้อยผลก็เต็มร้อยดังนั้นขอให้พวกเราจงมีความแน่วแน่ ต่อการปฏิบัติของเราอย่าท้อท่าอย่าท้อถอ ย, อ ย, อ, ถ อ, ยอย่ายอมแพ้ยากบ้างง่ายบ้างก็ทนเอาบางวันก็ง่ายหน่อยบางวันก็ยากหน่อยขึ้นอยู่กับการต่อต้านของใจเองวันไหนใจต่อต้านใจเกลียดข้านก็จะรู้สึกว่ายากวันไหนใจไม่ต่อต้านใจขยันก็จะรู้สึกว่าง่าย ก็ให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องของของใจเป็นปกติของใจที่จะมีขึ้นขึ้นลงลงบางวันก็ขยันบางวันก็เกียรตค้านเกียรตค้านก็ต้องสู้กับมันหนักหน่อยถ้าขยันก็เบาหน่อยสบายหน่อยขอให้เรารักษาระดับของการปฏิบัติของเราไว้ก็แล้วกัน ถึงเวลาต้องนั่งก็ต้องนั่งถึงเวลาต้องเดินก็ต้องเดินถึงเวลาต้องเจริญสติก็เจริญสติใไ่แล้วต่อไปก็จะได้เ อ, อย่างแน่นอนไม่สงสัยเพราะผู้อื่นเขาได้กันแล้วเราทําไมจะไม่ได้กันถ้าเราทําเหมือนกับเขาให้คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ประสบกับความสําเร็จในลําดับต่อไป การแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พ่อนอยาท้าวาริวาหาปุราปาริตุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตชินางเปตานาังอุ ป, ปกาปฏิอิชิตังปฏิตังตุ่มหางิก็ปปะเมวะสมิจโต สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระสสยัถามณิโชติระโสยัตถสัพพิติโยวิวาจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวทวันตราโยสุขีธีขาโยโกภวะ อาพิวาธนาะสีลิตานิจังวุธาปจายโนจัตารโธรมาวาทานติอายุวันโนสุขงาางังภาอ่งต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรม สำหรับท่านที่อยู่ที่นี่อยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนเพื่อที่ผู้ฟังจะได้ยินได้ฟังคำถามไปด้วยเพราะถ้าไม่ได้พูดผ่านทางไมโครโฟนจะได้ยินแต่คำตอบคาถามจะไม่ได้ยินถ้ายังไม่มีใครจะถามอะไรก็จะให้ถามปัญหาที่ถามมาทางอินเทอร์เน็ตนะครับ ครต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตและกลุ่มธรรมะบนเขานะครับคำถามข้อแรกจากคุณจอมนะครับศีลข้อหหากดื่มเหล้าใช้ทรัพย์เราซื้อเราเมาแล้วเราก็กลับไปนอนบ้านไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครถือว่าบาปไหมเพราะเราไม่ได้ไปเมาจนไปผิดศีลอีกสี่ข้อจนคนอื่นต้องเดือดร้อนหากทำแบบนี้ตายไป จะไปอบายไหมคือคนที่เดือดร้อนก็คือตัวเรานั่นแหละเราทำอะไรไม่ได้ไปทำงานทำการไปทำอะไรไม่ได้เราก็จะไม่มีวันที่จะเจริญก้าวหน้าได้จะไม่สามารถทำสิ่งที่จะยกระดับจิตของตนให้สูงได้ถึงแม้ว่าตายไปจะไม่ไปอบายก็ไม่สามารถไปสวรรค์ชั้นต่างๆได้ ไม่สามารถไปสืุมรรคผลทิพผานได้เพราะเวลาเมาก็ต้องนอนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็อยากจะได้ผลอย่างมากก็คือถ้าไม่ได้ไปทําบาปไม่ได้ทําไม่ได้ทําอะไรทําบุญก็คงทําไม่ได้เพราะเมาเราจะไปทําบุญได้อย่างไรบาปก็ทําไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ได้ทําทั้งบาปไม่ได้ทําทั้งบุญสวรรค์ก็ไปไม่ได้อบายก็ไปไม่ได้ ก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเดิมก็จะอยู่ติดอยู่ตรงจุดนี้เกิดแก่เจ็บตายแบบนี้ไปเรื่อยแต่ความจริงมันเป็นไปนไม่ได้หรอกพอเมาแล้วมันมักจะไปทําบาปกันอย่างนั้นพอเมาแล้วมันควบคุมตัวเองไม่ได้นอกจากจะลามโซไว้ก่อนกินอถ้าลามโซไว้แล้วก็โยนกุญแจให้ห่างไกลๆเออย่างนั้นนะมันก็คงจะ ไปทำบาปไปทำอะไรไม่ได้แต่ทำยงนี้มันเกิดประโยชน์อะไรมันดีตรงไหนมันไม่มีอะไรดีแต่ถ้าอยากจะทำก็ไม่ก็ไม่ห้ามอะไรถ้าอยากจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเกิดมาทุกภพกทุกชาติก็มากินเล่าเมาแนี้ก็เวลาแก่เวลาเจ็บเวลากินไม่ได้จะทำเลยตอนนั้นมันก็จะทุกข์ล้ แล้วก็อาจจะไปทําบาปจนได้ใช่ไหมพออยากจะกินเหล้าไม่มีเงินซื้อเหล้าจะทําไงเดี๋ยวก็ต้องไปขโมยเงินในที่สุดมันก็ทําบาปอยู่ดีท่านถึงเรียกว่าอบายมุกเนี่ยสุรายามาเล่นการพนันเที่ยวกางเกงนี่มันเป็นอบายมุกมันเป็นทวานสู่อบายมุกแปลว่าทวานอบายก็คือเนี่ยที่เกิดของคนที่ทําบาป ถึงแม้ว่าการเสพโซราไ ม, ไ, ไม่ได้ไม่ได้ทำบาปแต่มันจะเป็นตัวดันให้ไปทำบาปต่อไปเวลาเด่มแล้วเงินหมดไม่มีเงินจะทำยังไงหาเงินมาด้วยวิธีสุดจริตไม่ได้ก็ต้องไปลักทรัพย์ไปขโมย <c oughs> <c oughs> นี่ก็บาปแล้วก็เข้าไปอบายแล้วที่สุดมันก็ไปจนได้หนะช้าเรือเร็ ว, วนนเอง คำถามข้อต่อไปจะกคุณอูตแอดนะครับครั้งแรกที่นั่งสมาธิพอสวดมนต์เสร็จแล้วนั่งสมาธิไปได้สักพักหนึ่งจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์ดังมาไกลๆพอเราตั้งใจฟังเสียงก็ชัดเจนไพเราะมากๆเป็นเพราะเหตุใดทำไมเราถึงได้ยินแบบนั้นขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่ เวลาปฏิบัติไปแล้วเห็นอะไรก็ดีได้ยินอะไรก็ดีก็ให้สักแต่ว่ารู้ไว้แล้วพิจารณาเขาว่าเป็นตายรักไปว่าไม่เที่ยงถ้าไปยึดไปติดไปอยากจะรู้ว่าเป็นอะไรก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาด้วยความอยากรู้ก็ต้องไปถามคนนู้นคนนี้ให้เสียเวลาไปาเปล่าเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีมันไม่มีความจําเป็นจะต้องไปรู้มันว่ามันมาจากไหนมันเป็นอะไร ไห้รู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันผ่านไปแล้วก็จบมันไม่มีคุณมีประโยชน์อะไรแล้วก็อย่าไปสนใจถ้ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เราดับกิเลสได้ก็เอามาเจริญมากๆเช่นเห็นเรานอนตายอย่างนี้อันนี้แหละจะดับกิเลสคือความกลัวตายได้ถ้าเราเห็นเราต้องตายอย่างชัดเจนนี่เราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจว่าอ๋อนี่แหละคือ คืออนาคตของเราเพรา ะ, ะเราเอามาเจริญเอามาคิดมาเตรียมตัวอยู่เรื่อยๆ เ, เห็นความตายมันก็จะดับกิเลสตัณหาได้แทนที่อยากจะโลภมีนั่นมีนี่อยากทํานั่นทนํานี่มันก็อาจจะลดปริมาณลงไปทําเท่าที่จําเป็นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ถ้าสิ่งที่มีประโยชน์เอามาดับกิเลสตัณหาได้ท่านก็บอกว่าให้เอามาเจริญอยู่เรื่อยๆ เช่นเห็นอสุภะเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายก็เอามาเจริญอยู่เรื่อยๆเพราะเวลาเกิดการมารมขึ้นมาก็สามารถใช้อสุภะนี้มาดับการมารมได้เช่นถ้าเราถือศีลแปดแล้วเราเกิดการมารมขึ้นมาอยากจะไปนอนกับสามีภรรยาพอเรานึกถึงอสุภะได้เราก็จะดับความอยากนี้ได้รักษาศีลแปดต่อไปได้นั่งสมาธิจเจริญวิปัสสนาได้ อันนี้ถ้าเห็นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีมีคุณมีประโยชน์ก็เอามาเจริญสิ่งที่เห็นแล้วไม่มีคุณไม่มีประโยชน์ก็อย่าไปสนใจมันโยนทิ้งไปคำถามข้อต่อไปจากคุณนกแขกนะครับผลของการปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านได้บอกว่าพุทโธเป็นของดี ลูกก็เพียร น, น้อมจิตใจอยู่กับการภาวนาพุทโธพอจิตละลึกรู้อยู่กับพุทโธเข้ามากๆเป็นอันว่าหัวสมองไม่คิดอย่างอื่นเลยก็เลยเป็นปัญหากับการดำเนินชีวิตแบบคารวะที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรร์ในการทรมาหากินลูกอยากถามว่าจะอยู่กับภาวนาพุทโธยังไงพร้อมกับต้องใช้ความคิดสร้างสรร์ไปด้วย ก็เหมอนยากตังไหนเวลาใช้ความคิดก็หยุดพุทธโธนะเหนไม่เห็นมีปัญหาตรงไหนถ้าเวลามันไม่ต้องใช้ความคิดกับพุทโธไปถ้ามันคิดก็ใช้พุทธโธหยุดมันถ้ามันไม่คิดก็ไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้ก็อยู่ก็อยู่กันไปเฉยๆอยู่แบบไม่มีความคิดก็ได้ก็อยู่แบบรู้ไปจากแต่ว่ารู้ไปก็ดีไม่มีความคิดมันก็ไม่มีอารมณ์ไม่มีตัณหาไม่มีกิเลสมันก็สบาย ถ้ามีต้องใช้ความคิดก็คิดได้ก็นี่ยังถามได้เลยคําถามนี่มันมันมาจากที่ไหนคําถามนี้มันก็มาจากความคิดเนยะทําไมจะคิดไม่ได้มันพอมันเห็นงานมันก็เลยขี้เกียจมันก็เลยไม่อยากจะคิดถึงเรื่องงานเท่านั้นแต่ได้เห็นเงินนี้มันคิดได้ทันทีวิธีที่จะเอาเงินนี้มาได้ยังไงนี่ไม่ต้องสอนไม่ต้องสั่งนั้นแสดงว่ามันยังเป็นกิเลสอยู่ ถ้ามันไม่คิดถึงเวลาทำงานต้องใช้ความคิดก็ต้องสั่งมันซิให้ถ้าไม่คิดเดี๋ยวไม่ได้เงินเดือนนะเดี๋ยวตกงานนะเดี๋ยวไม่มีรายได้น ะ, อะพอมันเตือนมันสอนมันอย่างนี้มันก็คิดเองดังนั้นการใช้ควบใช้พุโทโธหรือใช้สตินี้เพื่อควบคุมความคิดที่มันเป็นโทษมันเป็นภัยที่ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์มันเป็นเหมือนขยะยนคนเขาอยากขยะมาทิ้งบ้านเราเราจะทาไง เราก็ต้องห้ามเขาใช่มเ้ยอย่าเอามาทิ้งเรื่ง น, นี้เดี๋ยวไปเรียกตำรวจมานะใจเราเหมือนกันถ้าคิดไปทางกิเลสตัณหาก็บอกว่า อ, อย่าคิดนะอคิดแล้วมันเป็นปัญหาขึ้นมาต้องหยุดมันแต่คิดในการงานทําหน้าที่ของเรามันเป็นประโยชน์ก็คิดได้ถึงเวลาต้องคิดก็ต้องคิดถึงเวลาต้องทําก็ต้องทำํำแม้แต่พระยังต้องคิดเลยเช้าขึ้นมาเฮ้ถึงเวลาสว่างแล้วต้องบินธบาแล้ว เกียจบินก็อดนะไม่ได้กินอนั้นแม่พระจะพุทโททั้งวันทั้งคืนพอถึงเวลาบินธบากก็รู้ว่าต้องไปบินทบากก็คิดไปบินทบากก่อนแต่ช่วงที่บินธบากก็ยังพุโทโธต่อไปได้เอช่วงที่ไม่ต้องใช้ความคิดว่าต้องเปิดฝาบาทก็คิดก็พุโทโธไปพอถึงเวลาต้องเปิดฝาบาทก็ต้องคิดให้เปิดฝาบาทเขาจะใส่ข้าวให้แล้ว <laughs> ยึดได้หยุดได้ไม่มีปัญหาหรอกพระอาจารย์ครับพอพระอาจารย์พูดถึงเรื่องบินตาบ่าครับมีหลายท่านครับสงสัยว่าระหว่างพระาอาจารย์เดินบินตาบ่าพระอาจารย์ท่องอะไรไปด้วยครับนับนับคนใสเพราวันนี้คนใส่บากี่คนเรานับทุกวันเอ่ยวันละร้อยกว่าร้อยกว่าอถ้าวันวันวั น, วนพระบางปีก็สองร้อยกว่า ดาวันพระใหญ่วันวิสาขะวันนั้นก็สามร้อยขึ้นไปก็มีคอนเต็มไปหมดเลยบางทีก็นับแบบรวมๆเพราะนับไม่เห็นทีก็กะประมาณเนะะ 20, 30, าะยี่สิบสามสิบงทีมันเข้าแถวยาวเหยียดเลยคำถามข้อต่อไปจากคุณจริงๆนะครับการที่คนแต่ละคนนั่งภาวนาแล้วจิตไม่สนกุกไม่สงบนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากสติไม่แข็งแรงแล้วมีเหตุจากอีกส่วนหไหมคะเช่นเกิดจากเจ้ากรรมในเวรหรือบาปที่เราทําไว้เลยมาขัดขวางการปฏิบัติเจ้าคะ่ะก็บาปที่เราทําไว้ก็คือตันหากิเลสนี่เองการทําบาปก็ทำทำด้วยกิเลตันหากิเลตันหามันก็อยู่ในใจของเรามันก็จะมีกําลังที่จะออกมาเพ่นพ่าน มาต่อต้านการเจริญสติของเราถ้าเราไม่มีทํา ไ, ไม่ได้ทํำบาปทากรรมไม่ได้ทํากิเลสกิเลสตัณหาก็จะไม่มีกําลังมากมันก็จะไม่มาต้านเราดัน้นถึงต้องรักษาศีลเนี่ยให้รักษาศีลไว้เพื่อจะได้กํำลาบตัวกิเลสตัณหาไม่ให้ออกมามีกําลังมากเพื่อที่เราจะได้เจริญสติควบคุมใจให้สงบได้ คำถามข้อต่อไปจากคุณโลโลเนานะครับอยากทราบความหมายที่ถูกต้องหนึ่งองโหสิกรรมคือการยอมความทั้งสองฝ่ายผลของกับกรรมสิ้นสุดลงไม่ให้ผลอีกใช่ไหมมันเป็นเรื่องของการที่ไม่จองเวรจองกรรมกันคำว่าอโหสิกรรมก็คือยกโทษอภัยโทษ เช่นผู้ใดมาทําในสิ่งที่ไม่ดีกับเราแล้วทําให้เราเกิดความโกรธความเกลียดเกิดความอาฆาตพยาบาทถ้าเราเอโหสิกรรมได้ความโกรธความเกลียดอาฆาตพยาบาทนั้นก็จะหายไปเราจะไม่ไปไปทํากรรมกับบุคคลนั้นส่วนบุคคลนั้นเขาจะอโหสิกกับเราหรือไม่นั้นก็อยู่ที่ตัวเขา ถ้าเขาไม่อโหสิเขายังมีความแค้นเคืองอยู่ภายในใจเขาก็ยังจะมาทำลายเราได้อยู่แต่ น, นี่เราไปห้ามเขาไม่ได้เราห้ามได้ในส่วนของเราคือเราจะไม่ไปก่อเวรก่อกรรมอีกเพราะเราเห็นว่ามันไม่เป็นวิธีที่จะยุติกรรมเวรมีแต่จะสร้างเวรสร้างกรรมให้ยาวเหยียดออกไปเรื่อยๆ เราสร้างความทุกข์ความร้อนใจขึ้นไปอยู่เรื่อยๆถ้าเราเอาโหสิเราให้ภัยเขาได้ใจเราจะสงบใจเราจะเย็นข้อที่สองพระอาจารย์ได้ตอบไปแล้วนะครับครับถามหน่อย ย, ยังไม่รู้เได้ได้ครับการที่เอและ B คู่กรณีกัน A, อเอขอโหสิกรรมบบไม่ยอมรับอโหสิกรรมจะให้ผลอย่างไร นี่แสดงว่าเราอ่านใจเขาได้นะคำถามข้อต่อไปส่งมาทางข้อความนะครับจากน้องปาดาวนะครับน้องเขาบอกว่าเขาจะไม่เรียนปริญญาโทแล้วเพราะว่าไม่มีเวลาภาวนาเลยกลับบ้านห้าทุ่มเที่ยงคืนแทบทุกวันแถมวันหยุดต้องมานั่งทำรายงานทำการบ้านอ่านหนังสือกิจกรรมเยอะ ไม่มีเวลามาวัดเลยคือใจตอนนี้พร้อมออกเต็มที่แต่ติดอยู่อย่างเดียวพ่อแม่ถ้าเขารู้เขาคงโมโหมากกลัวบาปถ้ามันไม่เป็นเรื่องที่เสียหายร้ายกาศก็ควรจะเรียนให้จบเพราะว่าการทำอะไรแบบขึ้นๆกลางๆนี้จะเป็นเสียนิสัยได้เดี๋ยวต่อไปเราออกไปปฏิบัติธรรมเดี๋ยวเกิดเรา เบื่อขึ้นมาเราก็จะไม่ทําต่อก็ได้เราก็จะอ้างเหตุผลอย่างอื่นขึ้นมาแล้วมันก็จะไม่สามารถทําอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันได้ดังนั้นเมื่อเรากําลังทําอะไรอยู่ก็ทําให้มันเสร็จก่อนยกจากว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยเรื่องเรื่องคอขาดบาดตายเช่จนจะต้องตายไปในสองสามวันนี่ก็หยุดเรียนเสียแล้วก็มาภาวนาเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานไออย่างนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง แต่ถ้าเป็นเรื่องปกติยังอยู่ไปได้อีกนานยังสามารถเรียนจบแล้วออกไปปฏิบัติได้ก็ควรที่จะเรียนให้มันจบเพื่อที่จะได้ควบคุมนิสัยนี้ไม่ให้มันมาทําลายเราต่อไปในอนาคตถ้าทำอะไรแบบจับจดทําอะไรแบบไม่ไม่เอาจริงเอาจังไม่ให้มันสําเร็จพอทำไปแล้วเกิดเปลี่ยนใจไม่ชอบขึ้นมาก็เลิกทา เดี๋ยวออกไปปฏิบัติทำแล้วเกิดเปลี่ยนใจไม่ชอบทำขึ้นมาจะทำอะไรก็ไม่ทําองก็กลับมาเรียนเป็นยาโทใหมอ่อมันก็จะกลับไปกลับมาเหมือนกับโบราณที่เขาว่าชายสามบทเนี่ยคือชายสามบทก็บวชสามครั้งนะถ้าบวชแล้วมันควรจะบวชครั้งเดียวไปเลยถ้าสึกแล้วก็ยังไม่ต้องมาบวชแล้วแสดงว่าไปทางนี้ไม่ได้แล้ว ถ้าจะบวชแล้วก็ไปทางนี้ก็ไปมันให้มันสุดไปเลยเหมือนพระพุทธเจ้าพระอาหานทั้งหลายนะั้ท่านไม่ได้เป็นชายสามบทท่านเป็นชายบทเดียวทำอะไรให้มันเอาจริงเอาจังให้มีสัจจะความจริงใจไม่ใช่พอทำอะไรไปเจอของยากหน่อยขึ้นมาก็ทอ้อถอยยกธงขาวอย่างนี้มันก็จะไม่สามารถทำอะไรให้สำเร็จได้ ทางโลกก็ไม่สำเร็จเรียนปริญญาก็ไม่จบพอมาปฏิบัติธรรมก็ก็ไม่จบเหมือนกันอังนั้นต้องระมัดระวังเวลาทำอะไรจึงควรทำด้วยจิตใจที่มีสัจจะมีความจริงใจต้องทำให้มันสำเร็จให้ได้นอกจากมันมีเหตุผลที่มันเหนือกว่าที่ทำให้เราต้องเลิกจริงๆอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่ง คำถามข้อต่อไปจากคุณหญิง NT นะครับวิธีการอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรหรือพ่อแม่พี่น้องแบบถูกต้องควรทําอย่างไรคือการอุทิศบุญนี้ไม่ได้อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อให้เขาโอโหสิกับเราอันนี้เป็นความเข้าใจผิดการอุทิศบุญนี้เป็นเหมือนการให้ขอทานเป็นการทําทานแต่ผู้ที่รับทานนี้ไม่ได้เป็นมนุษย์อย่างเรา แต่เป็นดวงจิต ด, ดวงวิญญาณของผู้ที่ตายไปแล้วผู้ที่ไม่มีบุญไม่มีบุญนัดไม่มีเหมือนกับเป็นคนไม่มีเงินเป็นเหมือนขอทานทางจิตวิญญาณ่วง น, นี้เขาต้องมาเพื่อเรามาขอส่วนบุญจากเราเวลาเราทำบุญเราก็อุทิศบุญนี้ให้เขาเหมือนกับเราให้เงินขอทานไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการโหสิแต่อย่างใด ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรนี้เราอุทิศให้เขาไม่ได้นอกจากเขาเป็นขอทานทางจิตวิญญาณแต่อุทิศให้เขาก็ไม่ได้หมายควาว่าเขาจะเอาศีกกรรมกับเราก็อยู่ที่ตัวเขาว่าเขาโกรธเราแค่เรามากขนาดไหนแล้วสิ่งที่เราให้เขานั้นพอที่จะดับความโกรธความแค้นให้กับเขาได้หรือเปล่า ในสมัยนี้เวลาเขาจะเอาหสิกรรมกันเขาทำยังไงเขาก็ไปฟ้องศาลกันเรียกร้องค่าเสียหายใช่ไหมถ้าให้จํานวนที่เขาพอใจเขาก็เอาโหสิกกรรมให้ถ้าให้น้อยไปเขาก็ยังไม่เอโหสิกกรรมอยู่เขาก็จะตามเอาให้ให้ได้เซนไดก็เหมือนกันถ้าเป็นเจ้ากรรมนายเวรถ้าเขาไปเป็นเปรแล้วก็ให้เขาแต่สิ่งที่เราให้กับเปรต น, นี่มันเหมือนกับสิ่งที่เราให้ขอทานมันน้อยมาก คิดว่าคงไม่พอที่จะทําให้เขาเอโหสิกรรมให้กับเราไดว้วิธีง่ายที่สุดก็คือน้อมรับกรรมไปเหมือนพระโมคคัลลานะท่านยอมรับกรรับกรรมที่ท่านทําไว้ถึงแม้ท่านมีอิทธิฤทธิ์มีการสามารถที่จะหนีคนที่จะมาตามฆ่าท่านได้แต่ท่านบอกว่าหนีมันไปวันนี้พรุ่งนี้มันก็ตามมาใหม่เพราะมันยังไม่ยอมเลิก แต่ถ้าให้มันค่าเราแล้วมันก็เลิกมันได้ทําตามที่มันต้องการแล้วมันก็จะจบกันไปนงั้นเมื่อทําทําบาปทํากรรมไว้แล้วต้องกล้าหานที่จะรับวิบากของตนถ้าไม่กล้าหานก็อย่าไปทําอย่าไปกล้าทำแล้วมากลัวรับผลนี่ไม่ใช่ลักษณะของผู้ที่เออ่กล้าหานที่แท้จริงถ้ากล้าทําก็ต้องกล้ารับ อาเาไมกล้ารับก็อย่าไปกล้าทำคำถามข้อต่อไปจากคุณละพีพรนะครับตอนนี้นั่งสมาธิได้เป็นช่วงเวลาแต่ในเวลาปฏิบัติงานได้พยายามรู้ขณะจิตว่ากำลังทําอะไรอยู่แต่ช่วงนี้มีความรู้สึกโกรธและโมะโห ก, กับสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งตอนนี้เลยมีความรู้สึกโกรธต่อการกระทำของคนอื่นมากขึ้น จนกายเป็นความรู้สึกเบื่อกับความรู้สึกแบบนี้ทั้งที่ได้พยายามตามความรู้สึกของตัวเองแล้วยังควบคุมความโกรธและโมโหไม่ได้เลยเจ้าค่ะเกรงว่าความรู้สึกเหล่านี้มันจะพัฒนารุนแรงมากขึ้นอยากทราบอยากทราบว่าควรปฏิบัติอย่างไรก็รไม่แผ่เมตตาเลยต้องแผ่เมตตาบ้างต้องให้อภยัยต้องสอนใจว่า ต่อไปนี้ใครทำอะไรกับเราที่เราไม่ชอบหรือทำให้เราเสียหายเราต้องให้อภัยเราอย่าไปโกรธแค้นโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทถ้าเราให้อภัยได้ความโกรแค้นกรเครืองอาฆาตพยาบาทก็จะเบาบางลงไปหรือหายไปได้นี่การภาวนาท่านถึงสอนว่าต้อง ม, มีหลายรูปแบบไม่ใช่แต่เฉพาะพุโทโธอย่างเดียว พุทโธถ้ามันเป็นแบบลักษณะแบบกลางๆไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ให้ภาวนาพุทโธไปถ้าเกิดความโกรธขึ้นมาก็ให้แผ่เมตตาไปให้ใช้เมตตาเป็นการภาวนาไปถ้าเกิดอารมณ์เกิดกามอารมณ์ก็ให้ใช้อสุภะขึ้นมาเขาเรียกว่าอารักขากรรมฐานกรรมฐานที่จะรักษาใจเวลาใจเกิดโรคต่างๆ ถ้าเกิดโรคโกรธเปลี่ยนอาพาธพยาบาทก็ต้องใช้เมตตาถ้าเกิดกามรมรุมก็ต้องใช้อสุภะมาแก้ดังนั้นเวลาเหมือนกับเราปวดท้องเราไปกินยาแก้ปวดหัวมันจะหายไหมใช่ไหมเวลาเราโกรธแล้วเราไปพุดโธพุโทโธนี่ยมันไม่หายใช่ไหมเราก็ต้องใช้เมตตาที่ว่าเขากับเราก็เป็นเหมือนเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเอ มีหัวเป็นหัวอกเดียวกันทำอะไรบางทีก็อาจจะเกิดการผิดพลาดขึ้นมามก็ทำไปแล้วก็เอาหสีกันไปอย่าอย่าถือโทษกดเกอนกันไปนี่แหละเรียกว่าแผ่เมตตาถ้าเรามาแผ่ตอนที่เกิดเหตุการณ์ไม่อาจจะแผ่ไม่ทันเราต้องซ้อมไว้ก่อนเราต้องจำลองเหตุการณ์ไว้ในใจสมมติว่านายคนนี้มาแย่งแฟนเราไปเราจะทำอย่างไร เราจะโกรธจะเกลียดเขาหรือเปล่าถ้าโกรธเกลียดก็แสดงว่าเราไม่มีความเมตตาถ้าเราบอกอะเขาเอาไปได้ก็ยกให้เขาไปเลยี่อย่างนี้ก็เรียกว่ามีความเมตตางั้นก่อนที่เราจะแผ่ได้เราต้องซ้อมไว้ก่อนเนี่ยการการที่เวลาเราสวดมวนต์แล้วเราสวดจับเพจัตตาเนี่ก็เป็นเหมือนการซ้อมการซ้อมแต่ความจริงซ้อมแบบไม่ไม่รู้เรื่องซื้อได้ซ้อมไปไม่คิดให้มันเข้ามา ถึงในใจเราแพร่แบบนกแก้วเหม็มท่องไปสเปสตาอาเวลาโหนตุจงอย่ามีเวงกันเถอะพอใครด่าหน่อยก็เปรี้ยงขึ้นมาเลยเห็นไหมมันต้องจำลองเหตุการณ์ว่าออถ้าเกิดใครเ็าด่าเราใครเใคราทำอะไรเราเนี่ยเราจะเปรี้ยงขึ้นมาหรือเปล่าหรือเราจะว่าโอ้ไม่เป็นไรคุณทำได้ทำไปแต่ฉันจะไม่โกรธทุน อย่างนี้ต่างหากเป็นสิ่งที่เราต้องจําลองเหตุการณ์คิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เราเคยโกรธแล้วถามตัวเองว่าต่อไปนี้เราจะโกรธแบบนั้นได้หรือเปล่าเราจะให้อภัยได้หรือเปล่าถ้าเราทําได้พอเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาก็จะทําได้เลยพอทําได้ใจก็จะสงบเย็นสบายไม่เดือดร้อนเป็นอุเบกขาไม่ต้องไปดา่าไม่ต้องไปตีกันให้เหนื่อยยากเปล่า ดังนั้นเราต้องซ้อมเจริญกรรมฐานชนิดอื่นบ้างไม่ใช่แต่ตะพุธโทยอย่างเดียวบางทีก็ต้องเจริญเมตตาภาวนาบ้างเจริญอสุภะบ้างเจริญมรณานุสติบ้างเพราะการเจริญมรณานุสติก็จะทำให้เราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความตายได้ทำให้เราละความโลภความโกรธความหลงได้ แล้มันมีอะไรหลายอย่างที่เราต้องทํานอกจากการเจริญบริกรรมพุโทโธแต่โดยทั่วไปก็ใช้พุโทโธเป็นหลักแต่เมื่อเราเบื่อพุโทโธเราก็ลองเปลี่ยนบ้างก็นะเปลี่ยนมาเป็นเมตตาภาวนาบ้างเปลี่ยนมาเป็นอสุภะบ้างเปลี่ยนมาเจริญมรณาโนสติบ้างเหมือนกับเราเตรียมยารักษาโรคต่างๆไว้ให้อยู่ใกล้มือไม่ใช่มีแต่ยาแก้ปวดหัวอย่างเดียวพอปวดท้องก็ไม่มียากิน พอปวดกล้ามเนื้อปวดตรงนู้นปวดตรงนี้ก็ไม่มียาทายากินดังั้นเราต้องมียาหลากหลายด้วยกันไว้สําหรับรักษาใจของเราท่านสอนอารักขากรรมฐานรู้สึกจะมีอยู่สี่การเจริญพุทธานุสติเพื่อรักษาศรัทธาเจริญเมตตาภาวนาเพื่อกําจัดความอาฆาตพยาบาทเจริญมรณานุสติเพื่อกําจัดความโลภความหลงความกลัวต่างๆ จเจริญอสุภะกรรมฐานเพื่อกาจัดก ร, รมอารมณ์อันนี้คือสิ่งที่นอกเหนือจากการจเจริญพุโทโธแล้วก็ควรที่จะสำหรับกันบ้างเพื่อจะได้มียาต่างๆเอาไว้สำหรับรักษาโรคของใจที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในเวลาใดก็ได้ถ้าเราเกิดโรคแล้วเราไม่มียารักษาเราก็รู้ว่าตอนนี้เราขาดยานี้เราต้องรีบมาจเจริญต้องมา หายานี้มาเตรียมไว้แล้วถ้าเรามีปัญหาเรื่องความโกรธแค้นโกรธเครืองนี่เราต้องแสดงว่าเราต้องมาฝึกเจริญเมตตาภาวนาแล้เพื่อที่เราจะได้ให้อภัยได้เพื่อที่เราจะได้ไม่มีความโกรธเกลียดกับบุคคลต่างๆอาจารย์ครับคำถามที่เหลือยกไปพรุ่งนี้ครับอาจารย์ของคนเดียวกันหรือเปล่า ของคนเดียวกันหรือเปแล้วหมดแล้วคนนี้หมดแล้วคนนี้หมดแล้วครับโเรามีคําถามอีกข้อหนึ่งท่านคะอยากถามว่าคนส่วนใหญ่ชอบทําบุญกันวันพระหรือวันพระใหญ่ตรงนี้เนี่ยจะให้ผลบุญต่างกันกับทําวันธรรมดายังไงอ่ะค่ะไม่ต่างกันอะบุญจะต่างกันตรงยู่ที่ทํามากทําน้อยถ้าเป็นวันพระใหญ่จะทําน้อย สู้ทำวันพระวันธรรมดาแล้วทำทำมากนั้นอย่าไปสนใจเรื่องวันสนใจเรื่องปริมาณกินข้าวกินมากกินน้อยมันก็อิ่มมากอิ่มน้อยเข้าใจไหมไม่อยู่ที่วันว่าวันนี้เป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ขออยู่ที่การกระทําของเราเป็นหลักทำมากผลก็มากทําน้อยผลก็น้อยที่เขานิยมทําวันวันเหล่านั้นเพราะว่าวันอื่นเขาไม่มีเวลาเราต้องไปทํามาหากิน แล้วก็เขาก็เลยไม่ได้มาทำพอมีวันหยุดวันสำคัญนี้ก็เลยคิดว่าเออเป็นโอกาสที่จะมาทำกันเขาก็ทำกันในวันนั้นแต่ความจริงแล้วการทาบุญนี้เหมือนการรับประทานอาหารควรจะทำทุกวันอย่างชาวบ้านนี้ก็ทำทุกวันเขาใส่บาตรทุกวัน mm hmm. สมัยก่อนคนไทยเรามักจะใส่บาตรกันทุกวันเพราะมีมีวัดอยู่ใกล้บ้านที่ต้องไปบิณฑบาตกันแต่สมัยนี้ก็ไม่ได้ทากันทุกวัน แต่เรายังทำกันทุกวันได้ด้วยการหยอดเงินใส่ในกระลป๋กไปว่านี่จะเอาเงินนี้ไปทำบุญเก็บไว้ในกระเปุกแล้วพอถึงเวลาจะทำบุญก็เอาเงินที่ในกระเปุกนี้ไปทำได้เลยไหนๆก็ถามนะครับอาจารย์พระอาจารย์ครับตอนนี้เนื่องจากว่าทาง Facebook และอินเทอร์เน็ตนะครับทั้งทุกเพจนะครับ มีผู้ที่ต้องการจะร่วมบุญโดยการโอนเงินมามากมายเหลือเกินครับพระอาจารย์จึงเราก็ไม่สามารถรับได้เพราะว่าไม่ไม่ต้องการเรียองอะไรก็อย่างที่คุณบอกว่าให้เข า, เาไปทําบุญที่อื่นแทนก็แล้วกันใช่ยครับเพราะราที่นี่ไม่ต้องการที่จะหาเงินเอาเป็นว่าเราเราขอรับไว้แต่ว่าขอคืนให้แล้วกันนะครับพระอาจารย์ให้เขาไปทําบุญที่อื่นก็แล้วกันได้ครับก็ถือว่าได้ทําบุญกับพวกเราแล้วก็แล้วกันถ้าอยากจะทําก็มาตอนที่มาที่นี่ก็ค่อยมาทําก็แล้วกันจะดีกว่า เพราะไม่เช่นั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการเป็ น, เ ป, นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีว่าอ่าเนี่ยใช้เสือใช้การหาเป็นการหาเงินหาทองเ้าอยากจะทำบุญทําที่ไหนก็ได้ทํากับพ่ออาหารที่บ้านก่อนก็ได้เนี่ยทำกับคุณพ่อคุณแม่อ่าทากับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนอที่ไหนก็ทําได้เหมือนกันได้บุญเท่ากัน